นั่งชิวอยู่เริ ม, มาหาดทรายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเง า, าความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไป เมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจดเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านรางใจกันดอกไม้เพ แ, แป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำให้าายืนตัวสัน่นเธอฟอนเน็กออกไหมผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไป I wanna kiss you by the r i v e สายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาเพราะความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาหอนยศ ริมหากัน2คนคืนนี้โอเคไหมใครคนไหนที่คิดจะแน่ไม่ต้องมาแย่งผมเกทับจะไม่ให้คุณโซเซซัดผมประเคนรับคุณมั่นใจได้เลยนะเว้ยตอนนี้ผมพร้อมจะเทนรักเป็นคนชอบก้าวขาเพราะผมไม่ชอบก้าวหน้าใครที่ไหนจะยุ่งมาเลยผมพร้อมห้าวมากอยู่กัผมนะครับตอนนี้ผมร้องเข้าข้างผมไม่ชอบเข้าหลังเพราะผมรักเข้าฟ้าผู้ใครบางคนก็มาแย่งไปจะเก็บตังค์น้ำเงินแล้วก็รีบแต่จะรับเมาก็สร้างทำงานทำเพลงทำนู่นำนี้ทำทุกวันออเดจะทำทุกอย่าง ก็ไปรับเธอเธอเลิกเลื้ยงกี่มองจะพาไปทะเลโซสักโซเซป า, า, า, ากันไม่อยู่ที่พาร์ที้จังเวลาที่ทีธออยากจะมีมีกับใครบางคนที่คอยหงายกันอยู่เสมอไม่ต้องพูดคำหวาน อยริมหาดทายนั่งยิ้มและจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหา